ถูกเข้าต่อว่าด่าทอแค่นี้ยังหัวเสียยังกลุ้มใจเงินหายนะตกเครื่องบินรถติดแค่นี้ก็ยังทาใจไม่ได้แล้วอยางงี้จะไปนิพพานได้อย่างไรอย่างงี้จะเข้าถึงนิพพานได้อย่างไรมันทำให้ได้สตินะบางคนเจ็บป่วยแล้วก็โวยวายตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นหรือวาอกหัก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 เวลาเห็นความทุกข์ทรมานนะของคนที่กำลังจะตายเนี่ยาถามใจตัวเาเองว่าเอยเราจะผ่านความทุกข์อย่างนั้นไปได้ไหมนคนที่เขาคิดว่าเนี่ยเราจำเป็นต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อที่จะต้องเพื่อจะได้ผ่านความทุกข์ความทรมานในขณะที่กำลังจะตายเนี่ยนะก็จะยิ่งเห็นความสาคัญนะของการทำความดี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 แล้วก็ฝึกให้รู้จักปล่อยวางให้เร็วขึ้นและขณะเดียวกันก็ทําให้เราเนี่ยนะอยู่กับมันได้โดยใจยสงบนะมันจะแ ก, ะก่ก็เ อ, อช่างมันอยู่กับความแก่ให้ได้ถึงเวลาป่วย อ, อ่ะก็ถือว่านี่เข้ามาฝึกมามามาสอนเรานะให้รู้จักปล่อยวางเพราะว่าวันหน้าจะต้องเจอหนักกว่านี้นะวันหน้าอาจจะต้องเจอความเจอทุกขเวทนาที่ยิ่งกว่านี้